ต่างพิธการพระคุณเจ้าที่กรพแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่มาร่วมฟัง ร, รมในวันนี้พร้อมทั้งเพื่อนร่วมความไม่ทุกข์ซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้านี้ด้วยวันนี้ผมเป็นตัวแทนของผู้ที่ลาออกจากความทุกข์นะวันนี้เข า, าให้ผม มาพูดในหัวข้อเรื่องบันทึกความไม่ทุกข์เจ้าภาพเขาก็เลือกหัวข้อให้แล้วก็ขอร้องให้สวมเสื้อชุดแดงด้วยมันจะได้เหมาะกับในภาพก็เลยจัดให้เรื่องความไม่ทุกเนี่ยเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาด้วยใครที่มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีธงไทยประจาใจเอาไว้เลย ว, ว่าผลสุดท้ายผลการปฏิบัติต้องไม่ทุกไม่ทุกแบบสิ้นเชิงไม่ใช่ไม่ทุกชั่วคราวร่วงว่างก็เก็บเอาความทุกข์มาใหม่ส่วนเรื่องของความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความทุกข์นี่ก็คือ คำสอนในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันเป็นส่วนที่ให้เรากำหนดรู้ไว้ไม่ต้องหนีแต่รู้เท่าทันในความทุกข์สรุปแล้วเนี่ยคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนอยู่สองเรื่องทั้งว่าไต่ปิดก <c ười> คือเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคน ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ต้องรอต่อตายแล้วด้วยสา ม, มารถเกิดขึ้นได้ในขณะปัจจุบันนี้พอย้อนถามที่ถึงว่าในชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยจนถึงวันเนี้ยเรากลัวอะไรมากที่สุดในชีวิตตอบได้ไนหะมบางคนบอกกลัวผีบาคนคิดว่ากลัวความลำบากกลัวความยากจนกลัวความตาย ในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยจะกลัวอะไรสารพัดอย่างจ ะ, จะสรุปล ง, งเพียงว่ากลัวความทุกข์ใช่ไหม <c oughs> สุดท้าคือกลัวความทุกข์ก็ถูกแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังตรัสไว้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของคนเป็นภัยใหญ่ของคน ถ้มองย้อนกลับไปเนี่ยในเมื่อความทุกข์ทำให้เรากลัวเนี่ยเราพลิกจิตซึ่หม่ว่าถ้าเราไม่กลัวความทุกข์สักอย่างเดียวเนี่ยในชีวิตนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วใช่ไหมแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องความกลัวเป็นสัญชาตยญาณของมนุษย์ในขณะที่บุคคลธรรมดาเนี่ยกลัวความทุกข์แต่พระอริยเจ้าเนี่ย ชอบดูความทุกข์ต่างกันนะพระเจ้าชอบดูความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มีค่ามีค่ามากสำหรับบุคคลที่เฝ้าดูอยู่การเห็นทุกข์เนี่ยมีค่าเท่ากับการเห็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราโมตระวความทุกข์เนี่ยเราจะไม่รู้จักความทุกข์เลยจะวิ่งหนีความทุกข์ไม่พ้นหรอกต้องกล้าไปเชิญหน้านักปฏิบัติเนี่ย อน่ยในที่นี้ก็มีนักปฏิบัติเยอะนะะหลายคนชอบการปฏิบัติทมชอบนั่งกรรมฐานชอบเจริญสติแต่พอเจอความทุกข์แล้วรับไม่ชอบนักปฏิบัติไม่ชอบความทุกข์ปฏิบัติไปก็เจอแต่ความคิดเจอแต่ความฟุ้งซ่านเจอแต่ความเบือ่อเจอแต่ความง่วงอันที่จริงเนี่ย ใครปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเจอความทุกข์เนี่ยถูกทางแล้วนะอย่าปฏิเสธถูกทางแล้วถูกทางการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องปฏิเสธอาจจะมีความหมงุดหงิดความสงสัยธรรมดาใครเจอสะเพา ะ, ะรเรียก็คือว่าถูกทางการปฏิบัติแต่ถ้าใครปฏิบัติไปเจอแต่ความสุขเนี่ยหลงทางแล้วหรือไม่ได้ปฏิบัติเลยนะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเนี่ยสุขตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยหลงทางไปแล้ว มันมีความทุกข์ให้เห็นอย่างว่าเวลาเรานนั่งอยู่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยรู้สึกเมื่อยไหมนั่นแหะเนี่ยคือปฏิบัติธรรมเลนะเห็นความเมื่อยเป็นความทุกข์เห็นไหมถูกทางแล้วคนมันต้องเมื่อยไม่ใช่กระถางต้นไม้มันต้องเมื่อยให้เราเป็นผู้เห็นทุกข์แต่อย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นทุกข์ต่างกันนะเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์ ผู้ใดปฏิบัติธรรมหรือเฝ้าดูทุกข์บ่อยๆเนี่ยเห็นทุกข์บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีในทางธรรมะเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็โชคดีเมื่อนั้นเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็โชคดีเมื่อนั้น <c oughs> เก็บเกี่ยวความเห็นทุกข์ไปบ่อยๆๆเถอะเราจะเบื่อหน่ายคลายกำหนักว่า ม, มันไม่ใช่ของเราจริงๆอย่าเข้าไปเป็นทุกข์ก็แล้วกันที่พูดอย่างนี้ยผมไม่ได้มีเจตนาว่า ให้ท่านลูกฟังเนี่ยมองโลกและชีวิตในแง่ล้ายนะมองโลกและชีวิตในแง่ร้ายมีแต่ความท้อแท้บอกกันวางใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นความจริงที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันอันที่จริงแล้วเนี่ยใครก็ตามเมื่อเวลาชีวิตมีความทุกข์มีปัญหามีความละบากแล้วก็ตามเนี่ย ถ้าเราอาศัยความอดทนซะหน่อยอาศัยความอดทนอดกลั้นนะใครสามารถทนต่อความทุกข์ทนต่อความลําบากได้ชีวิตของเขาเนี่ยจะไม่มีความลําบากนะค่อยเราคิดซะว่าอย่าไปคิดแบบนี้ว่าเรานี่กําลังอดทนเรากําลังลําบากอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเราไม่คิดว่าเป็นความอดทนหรือไม่คิ ด, ดว่าเป็นความลําบากเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมดาของชีวิตเรานะ พอเราไม่คิดต่อต้านอกวนี่เป็นธรรมดาของชีวิตทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาสําหรับเราไปเลยเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทิแล้วมองเห็นความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือเห็นธรรมะเลยนะตัวอย่างผมนี่ตอนที่ชีวิตมีปัญหาใหม่ๆร่างกายพิการใหม่ๆ ผมก็อาศัยความอดทนอดทน เ, ออเราคงอยู่ไม่นานแล้วนะคงไม่เกินห้าปีแด้แล้วก็ตายไปเราทนอีกหน่อยทนอีกนิดนึงห้าปีผ่านไปทนไปได้นะทนได้นะไม่เป็นไรนะชีพมันยังอยู่ยังไม่ตายบอกไม่เป็นไรอ่ะอีกห้าปีนะ่ะเราคงอายุไม่เกินอีกห้าปีนะ แล้วคงต้องตายแน่สิบปีแล้วมันก็ไม่ตายตาขออีกห้าปีคงยังไม่เกินสิบห้าปีของพิการแบบนี้ไม่เกินสิบห้าปีนะเราต้องตายปีที่สิบหกแล้วโอ้ยังไม่ตายเลยต่อวีซ่ามาทีละห้าปีห้าปีตอนนี้สามสิบเอ็ดปีแล้วโอ้ดูท่าจะอีกนานนะเนี่ยมันลืมไปแล้วว่าเราทน เรมองสิเนี้ยเออมันกลายเป็นชีวิตของเราไปเลยลืมเลยลืมความอดโตของเรากลายเป็นธรรมดาของชีวิตเรามันเคยชินไปเองมันก็เลยเห็นว่าโอ้มันไม่มีความพิการแล้วเราไม่มีแต่ความไม่สะดวกไอ้ความสะดวกก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นปกติธรรมดาไดอีกแล้วเออความไม่สะดวกเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของธรรมดาของเราเนาะไอ้ความไม่ถูกใจไม่สบายใจเนี่ย งดหิดเนี่ยโอ้เป็นเรื่องธรรมดาไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่โอ้มีเยอะเลยโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของจิตเนี่ยจิตเรากรรมของจิตเป็นอย่างนั้นเนาะมันก็มีความไม่ถูกใจมันอยู่เรื่อยแหละโอ้เป็นเรื่องธรรมดาความไม่สมบูรณ์ทุกอย่างมันอยู่ในตัวผมทั้งหมดเลยนะความขัดใจความไม่ถูกใจมีมากมายโอ้เป็นธรรมดาใครบน่นใครว่าเราโอ้ธรรมดาเนี่ยคนอย่างเรามันต้องถูกบ่นถูกว่าเป็นเรื่องธรรมดา โอ้มันสบายใจเลยมันสบายใจเลยนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของเราทั้งนั้นเลยเราไม่ปฏิเสธนะเรายอมรับเราก็เข้าไปช่วยเข้าไปแก้ไขตามที่เราแก้ไขได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าเรารู้จักเปิดใจกว้างยอมรับอะไรเสีย บ, บ้าง เช่นความไม่สะดวกไม่ระบายความทุกข์ต่างๆความหมุดหงิดหรือยอมรับสิ่งที่มันปรากฏเกิบตัวเราตามความเป็นจริงที่มันปรากฏเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะคลายลงทันทีเลยยอมรับความจริงยอให้มันเป็นไปได้บ้างถึงกล่าวตายแล้วก็ยอมตายยอมเมือที่สุดแล้วเนี่ยใจเราก็จะสบาย ไอ้ที่เราไปทุกข์เพราะเราไม่ค่อยยอมมันยอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันก็เย็นไม่ได้มอนกันนะมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละรู้จักยอมรับความจริงซะความต้อค่อยๆผ่อนคลายเมื่อยอมรับแล้วไม่ใช่ยอมแพ้การยอมจะเป็นการปล่อยวางชัวง่วขณะหนึ่งถ้าไม่ติดบันทิตตั้งหลักทีนี้มันจะมีสมองมีวิธีคิดมีปัญญาอ๋อมันจะควรจะแก้ไขอย่างไรเห็นปะ บางอย่างเรากแก้ไขได้ในความยอมของเรายอมข้างในและแก้ไขข้างนอกด้วยสติปัญญาไม่ใช่แก้แค้นมันเป็นเคล็ดลับจริงๆนะเป็นเคล็ดลับของการใช้ชีวิตที่ไม่ทุกข์รู้จักเปิดใจกว้างยอมรับในสิ่งที่มันปรากฏกับเราเสียบ้างใจเราก็จะไม่ทุกนะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนที่มีความทุกข์มีปัญหาไม่เป็นไร ไ ม, ม่ได้เมาทุกคนนะทุกคนก็ใจสบายดีไม่เป็นไรให้เรามองสิงว่าในโลกเราเนี่ยมันมีอยู่สองด้านมีสองด้านเสมอมีด้านลบมีด้านบวกสองด้านเสมอมีกลางคืนก็มีกลางวันมีผิดหวังก็ต้องมีสมหวังเป็นของคู่กันเมื่อมีทุกได้ฉันใดความไม่ทุก์ก็ย่อมมีได้ฉันนั่งเหมือนกัน มันมีทางออกชีวิตแต่ต้องรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรความทุกข์แปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจนอกจากสองอย่างเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์ละ่ะทุกข์เกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจสาเหตุคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตทุกข์เกิดจาก ไม่รู้จักตัวเราตามที่มันเป็นจริงไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจชีวิตสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักเนี่ยมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเรานั่นแหละคือปัญหาทำให้ใจเราต้องไปทุกข์มากถ้าเราเข้าใจตัวเราดีแล้วรู้จักตัวเราดีแล้วแม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติในสภาพใดก็ตาม มีโรคภัยก็เจ็บรูแรงขไหนก็ตามถ้าเราเข้าใจตัวเราเนี่ยปัญหาทางจิตมันจะไม่เกิดขึ้นมีปัญหาเฉพาะทางร่างกายเท่านั้นเพราะจิตมันรู้ความจรงิงและปล่อยวางมันได้ก็ดูแลมันไปตามธรรมดาถ้าไม่ยึดติดว่ากายเป็นเราเนี่ยใจก็ไม่ทุกแต่เรายึดติดว่าอ๋อร่างกายเนี่ยเป็นของเราเป็นตัวเรากายกับจิตเนี่ย เป็นของเราทุกมหันต์เลยตอนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทุกเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถึงเรียกว่าอุปาทานภาษาธรรมนะตัวเราเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรกายจิตก็ได้หรือรูปนามก็ได้หรือขันห้าก็ได้รูปนามก็ดีกายจิตก็ดีขันห้าก็ดีเราสมมุติว่ามันคือตัวเราโดยสมมุติ ถึงเนี้ยไอ้รูปน้ำขันห้าเนี่ยเป็นที่ใต้ข อ, ง, องความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตีเป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยวางขันห้าได้ไหมื่แล้วก็ใจมันก็ไม่ทุกข์นะสิ่งจะยึดติดเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างขอเล่าเป็นวิชาการข้าวๆสักหน่อยคือขันนั่งห้าเนี่หลนะขันจะว่ากลุม่มหรือกองกองแห่งขันท่านห้าประกอบด้วยรูปประขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันห้าอย่างเนี่ยไปที่เรายึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเราต้องเป็นทุกข์อย่างเช่นว่ารูปขันเนี่ยคือกายที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือส่วนของรูปรูปเนี่ยธรรมชาติให้เกิดมาเป็นของธรรมชาตินะมันไม่ใช่ของเรานะใครยึดติดว่าร่างกายเป็นของเราเนี่ สิงข้อที่สองนะอธินาทานเป็นหมอของธรรมชาติเป็นของเราเนี่ยโอ้ที่ตูธรรมชาติให้เกิดมาซึ่งไม่ใช่เราเป็นของธรรมชาติแต่เราสมมุติว่าเป็นตัวเรามีสาระภาพทางสังคมว่าชายว่าหญิงว่าพ่อว่าแม่ว่าครูบาอาจารย์ครูบ้างหมอบ้างหรือในตํารวจทหารนี่คือ สถาภาพสาธคมิส ม, มุติขึ้นเพื่อทําหน้าที่เท่านั้นเองอย่าไปยึดติดอย่างผมเนี่ยนะสถาภาพสาธคมเรียกว่าคนพิการใช่ไหมซองเรียกคนพิการพอหลอกการของนคนพิการปั๊บโดยสมมุติแล้วก็รักษาสถาภาพทันทีเลยเนี่ยวอ้เราเป็นคนพิการเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยบาดประจําตัวคนพิการมันหมดอายุ มันจะไปต้องรีบไปต่อนะเพื่อจะได้สิทธิ์ต่างๆรีบต่อบัตรเพื่อรักษาสถานภาพองควมพิการเอาไว้เดี๋ยวมันจะหายไปเรากลายเป็นคนไม่พิการเราก็จะไม่ได้สิทธิ์อะไรว่ <c oughs> าโดยสมมตินะก็ว่ากันไว้แล <c oughs> ้วบางคนมียศฐานเวลาจับตําแหน่งสูงพอถูกยึดถูกปลดไป <c oughs> เรียดมากเลยเนะี่ยไปยึดติดสถานภาพสังคมว่าเป็นตัวเราในชะ่ไหมเลยทุกข์มากไป นี่มันไม่ใช่เราบางคนมันก็บนเราแง่ไปเราอ้วนไปเราผอมไปเป็นทุกข์ป้อยความแก่ความอ้วนความอ้อมเราเนะีมันไม่ใช่เราเราไปทุกทําไมเป็นเรื่องของรูปปั้นมันไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> เรื่องของเราก็เชื่อเราสิมันไม่ต้องกังวล น, นะมันแก่ก็ไม่ใช่เรามันดํามันก็ไม่ใช่เราขาวก็ไม่ใช่เราอีกจะอ้วนจะผอม ตะหล่อหรือไม่หล่อมันก็ไม่ใช่เราเดียมันเป็นเรื่องของรูปประขัตเรามาคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เรานะอย่าตูนะเดี๋ยวปิดตินข้อสอไม่เป็นไรเลยทีนี้ถ้าใครมาด่าเราเราจะไม่โกรธเพราะเขาไม่ได้ด่าเรามันไม่มีเรามันมีเราน่ะมันจึงถูกด่าเพราะไม่มีเราจะด่าลมแบบนั้วก็ด่าเราะไม่มีเรา อย่าไปเป็นทุกข์เพราะรูปประขันที่มันเป็นไปนะอันนี้กองแรกกองที่สองคือเวทนาขันเวทนาว่าการเสวยอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มไม่สุขไม่ทุกข์อสุขก็เ ร, เรียกสุขเวทนาทุกข์ก็ทุกข์กขเวทนาบางทีเรารู้ว่าเอ๊ะเราสุขหรือทุกข์กันแน่ตอนนี้เราสุขหรือทุกข์บอกไม่ได้นั่นคืออทุขกับสุก ข, ขเวทนา บอกไม่ได้ว่ามันทุกข์หรือมันสุขแน่แต่มันมีอยู่บอกไม่ได้แ <c oughs> น่มีอยู่สามอย่างทีนี้เวลาเราเกิดทุกขเวทนามีความปวดเมื่อยเราก็ไม่ชอบโอ้ oh, เรานี่มันมันแย่นะไอความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นเราซึ่งไม่ใช่ของเราเวทนาเป็นสิ่งที่ธรรมชาติก็ให้มา <c oughs> ไม่ใช่ให้เราคือให้กับผู้ประคัน อย่าไปยึดติดเอาเวทนาเป็นเราพิเศษอนินารานะไม่ใช่เราจริงๆนะคนบอกว่าเรานั่งมันไปถึงเมื่อยมันไปถึงเจ็บเราไม่อยากเมื่อยไม่อยากเจ็บใครไม่อยากเมื่อยบ้างอย่างผมเนี่ยไม่เมื่อยนะคนอามาผ้าไม่เมื่อยหรอกบางคนบอกฉีดยาเนี่ยมันต้องไม่เจ็บสิถ้าไม่เจ็บเนี่ยก็ดีเนาะเราถูกฉีดยาเราไม่เจ็บบางคนบอกตากแดดแล้วมันร้อน ลองไม่ร้อนแล้วไปตากแดดทั้งวันดีแล้วที่มันร้อนอะ่ะมันจะหลบร่มบ้างถ้ามันไม่ร้อนเนี่หรือไม่รู้สึกร้อนเนี่ยแดดมันเผาเนี่ยร่างกายจะปิดผลได้ไหมมันก็ร้อนธรรมดาทึกไม่ใช่เราร้อนเนี่ยผมเนี่ยมือ น, นี่ไม่รู้สึกนะกระดิกนิ้วก็ไม่ได้ยับได้แค่เนี้ยไม่รู้สึกนะวันนั้นไปจับแก้วที่มันใส่น้ําร้อนไปหูแก้วหูนะ แก้วใหญ่ด้วยเสริมร้อนมาจาับแบบยังไม่ดื่มนะถือไว้ก่อนพอสักพักดื่มโอ้มันร้อนเนี่ยโอ้มันร้อนก็เลยกว่าจะวางได้นี่ยต้องมีลีลานหน่อยวางเลยเลยไม่อาจจะลวกค่อยๆวางมาปับ๊บมือพองเลยโอ้เราไม่รู้สึกร้อนเราะมือพองเลยดีไหมไม่รู้สึกร้อนนั่งนานๆนนเนี่ยมันไม่เมื่อยนะไม่เมื่อยดีไหม มันไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เป็นแผลกดทับอยูย่ตอนแรกไม่รู้ว่ามันเป็นแผลกดทับนั่งนานเกินไปมันไม่รู้สึกเจ็บอยู่มาวันนึงผู้ดูแลก็ตรวจ ด, ดูที่ก้นมันมีแผลมานานแล้วจนแผลนี่กัดหนองแล้วต้องรักษาด่วนเลยไม่งั้นจะติดเชื้อมันจะไม่ยืนยาไว้ติดเชื้อที่ก้นเหระมันเป็นแผล ตอนนี้รักษาเดือนกว่ายังไม่หายเลยแผลกดทับตอนนี้ก็เป็นอยู่เพราะเราไม่รู้สึกเจ็บไม่ใช่ดีนะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเจ็บแต่ไม่ใช่ว่าดีนะมันไม่ดีนะคือร่างกายมันจะบอกเป็นทุกขเวทนามันเป็นสัญญาณเตือนภยัยให้เรารู้จักแก้ไขแก้ปัญหาตัวเองป่วยไข้จะได้รักษามันเมื่อไปปวดจะได้ขยับขยื่อนพอปวดเราขยับขยื่อนนะเป็นการแก้ทุก แก้เวทนาต้องขอบคุณมันนะที่มันยังเจ็บยังปวดยังเมื่อยต้องขอบคุณมันถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยมันลําบากเวลาเรามีโรคไปก็เจ็บเบีเยดเบียนต้องไปนอนโรงพยาบาลเจ็บปวดเนี่ ย, ยอย่าเสียใจโอ้เวทนามันทาหน้าที่เนาะขอบคุณมันเรื่องธรรมดาอย่าไปถามว่าทําไมจึงต้องเป็นเราเราเป็นอะไรจะเป็นอะไรเราเป็นโรคอะไรอย่าไปถาม เปลี่ยนว่าทําไมเป็นคำตอบว่าธรรมดาจากทำไมเป็นธรรมดานี่จบเลยนะคำถามไม่มีแต่คำตอบมีแต่คำเฉลยเนี่ยธรรมดาเห็นไหมเราเคยสวดไหมอะพินหะปัจเวคขณะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หลวงพนความเจ็บไข้ไปได้ธรรมดานะเวลาเราเจ็บไข้หร้ อ, รอป่วยไข้ถามเธื่อไปอะไรอะ่ะ ฉันเป็นโรคธรรมดาเราเป็นโรคธรรมดาก็จบมันธรรมดาแนละ้วมันไม่ใช่ของเราหรอกเวทนาธรรมชาติให้มาเลิกธรรมดาทีนี้เวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ชอบใช่ไหมจะเปลี่ยนไปแสวงหาความสุขเพื่อหนีความทุกข์ไม่มองความทุกข์เป็นธรรมดาซะมันก็เลยมีเรื่องมากต้องไปแสวงหาความสุขเราเบื่อตรงนี้เราก็ไปหาความสุขตรงนู้น เบื่อตรงนี้ไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินไปเที่ยวแล้วคิดว่าเราไปแล้วเนี่ยไม่เจอความสุขได้นานไหมดูหนังเรื่องเดียวทั้งวันเนี่ยสนุกไหมเรื่องเดียววนไปก็วนมาทุกข์อีกแล้วเพื <c> ่อ <oughs> er จะไปสแสวงหาความสุขทุกข์อีกแล้วใช่ไหมเรามีทุกข์เป็นธรรมดาอีกแล้ว ฟังเพลงเอลงนี้เพลงดีเหลือเกินแหม อ, ออกใหม่ชิดชอบฟังซื้อแผ่นมาฟังลองฟังทั้งวันเถอะมีความเบื่อเป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความเบื่อเพลงนี้ไปได้ชอบกินอาหารชอบกินพิซซ่าไหนก็ชอบพิซซ่ากินพิซซ่าสักเจ็ดวันเราก็เบื่อพิซซ่าเป็นธรรมดา คนนี้สวยคนนี้หลอ่อเราอยู่กับเขานานๆนะโอ้เบื่อแล้วเกินคนนี้มันไม่หลอกของเราก็แล้วอาจจะไปหลอกของคนอื่นก็ได้มันเบื่อมันเซ็งหนีความทุกข์อย่างหนึ่งไปเจอความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคิดว่าเป็นความสุขเฉลยคือความสุขมันก็ไม่เที่ยงก็ไปเจอความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเลยเดียไม่สุขก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยสัตท์ว่าเวทนาไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาอย่าไปเป็นทุก เพราะเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะเนี่ยสองกองเนี่ยนะเลยอกรที่สามคือสัญญาสัญญาเนี่ยสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ไหนใครไม่มีความจำได้หมายรู้บ้างไหนใครจำอะไรไม่ได้ทุกคนต้องมีความจำซึ่งธรรมชาติให้มาอีกอะ ไม่ใช่เราเหมือนกันในตัวเรานะธรรมชาติให้มาอย่าตูเป็นของเรานะผิดศีลอธินาฐาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เมื่อมันจําได้มันก็ลืมได้เหมือนกันถูกไหมถ้าเป็นของเราเนี่ยมันก็จําไม่ลืมสิ <c oughs> ไม่ใช่เราบางอย่างอยากจําแต่มันกลับลืม บางอย่างอยากลืมเล้วเกินแต่มันจำเล้วเกินจนป่านนี้ก็ยังไม่ลืมเป็นแผลลืกอยู่กลางดวงใจมันไม่ใช่เราหรอกถ้าเป็นเรามันก็เชื่อเราเลยจำได้ก็ลืมได้ใช่ไหมบางคนใส่แว่นตาแล้วถอดแว่นตาวางไว้พอหยิบใจจริงหาไม่เจอมาเขกหัวตัวเองกูขี้ลืมจริงแปเออการลืมการจาเป็นของเราแลวดูเถอะ แต่คนที่ลืมทั้งหลายเนี่ยมักจะไม่ลืมคำพูดว่าลืมลืมจริงลืมจริง้มงวมนาะพูดว่าลืมได้เป็นลืมได้เป็นธรรมดาแนละ้วอย่าไปทุกข์กับมันอย่างคุณแม่ผมเนี่ยยกตัวอย่างนะคุณแม่ผมที่เป็นคนที่จำอะไรได้มากเลยตอนนี้อายุ81แล้วแต่ท่านมีโรคทางด้านร่างกาย ลืมเรื่องในสออุตันท่านลืมอดีตไปเกือบหมดเลยนะลืมอดีตลืมสิ่งทางคาใจไปเยอะเลยถ้าอยู่กับปัจจุบันมากถามเรื่องปัจจุบันเนี่ยพอจะรู้แต่พอถามเรื่องอดีตเนี่ยจําไม่ได้จําคนนี้ได้ไหมจําไม่ได้แต่พอคนที่มาปรากฏตัวท่านจําได้เป็นการดีนะการลืมสักบ้างในชีวิตเนี่ยอายุแปดสิบเอ็ดท่านจำมาจนถึงแปดเอ็ดเนี่ยโอ้โห วนสมองระเบิดนะลืมเสียบ้างก็ดีขอบุณในความลืมอย่างผมเนี่ยลืมไปเยอะเลยชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากลืมอดีตไปมากมายมันเป็นการดีสำหรับเราถ้าคิดย้อนก็เจอถ้าไม่คิดอดีตไม่เคยมากวนในปัจจุบันเลยอยู่ปัจจุบันมากจนลืมอดีดตปฏิลืมไปว่าเราพิการด้วยซ้ำไปลืมไป อย่างคนปกติท่านอย่างคนปกติลืมไหมว่าเราพิการแต่สิ่งสิ่งนี้ผมไม่เคยลืมเลยเวลาไปพูดธรรมะที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยลืมไม่เคยเผลอสติจับไปขึ้นมายืนพูดเลยเพราะฉะนั้นลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเนี่ยมันอาจจะเสียตัวอาจจะไม่ได้ค่าตัวด้วย อย่าลืมตัวเพราะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่าไปเป็นทุกข์กับการลืมของเราการจำการลืมนี่เป็นเที่ยงแท้ไหมสัญญาอนิจจาสัญญาก็ไม่เที่ยงผูนะ้องตักไว้เราลืมไปโอ้สบ า, ยธร ร, า, ายธรรมดาการลืมเรื่องธรรมดาแต่อย่าลืมตัวถ้าลืมตัวเนี้ยผิดธรรมดาอาจจะลืมเรื่องอะต่างๆลืมได้ แต่อย่าลืมรู้สึกตัวลืมตัวนี้ไม่ได้เดือดร้อนพ้าเราใกล้ความตายเข้าไปลืมนึกตัวนี้อันตรายมากเพราะนั้นอย่าไปเป็นทุกข์นะกับการลืม <c oughs> ไม่ใช่ของเราหรอกขึ้นกองที่สี่คือสังขารละขันสังขารแปลว่าการปรุงแต่งซึ่งธรรมชาติให้มาเหมือนกันกับทุกๆกคนสังขาร น, นี่ อย่ามองว่าร่างกายอย่างเดียวสิ่งแล้วก็ตามที่มีสองอย่างผสมกันขึ้นไปนเรียกว่าสังขารทั้งนั้นร่างกายก็เป็นสังขารส้มตำหนึ่งจานก็เป็นสังขาร น, นะมีทั้งมะละกอมีทั้งมะเกือเทศมีทั้งปูมีทั้งปะลามีมะนาวส้มตำขาขเหนียวไม่ใช่ขเหนียวมันไม่เดียวขเหนียวส้มตำ สมตังก็เป็นสังขารคือมีหลายสิ่งรวมกันคือการผสมปรุงแต่งในที่นี้สังขารรักขานนี้คือความคิดปรุงแต่งซึ่งธรรมชาติให้มาไม่ใช่เราเหมือนกันบางคนหลงผิดว่าเพราะเราคิดได้มันจึงมีเรานั่นผิดนะเรามีเพราะว่าสมมุติอย่าไปยึดมั่นถึงมัน เราเป็นคนคิดไม่เก่งคนโน้นคิดเก่งนะไปเอาความคิดเนี่ยสังขาเป็นตัวเราซะก็ไม่ถูกต้องเราปฏิบรรัติทำไปทาไมกิเลสมันมากเหลือเกินทำไมความคิดเยอะเหลือเกินไปปรุงสรางเหลือเกินมาเป็นธรรมชาติของจิตที่มันต้องปรุงแต่งรเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เราหรอก ถ้าเป็นเราก็สงบได้ทั้งวันก็ได้จะอยากสงบใช่ไหมพายสงบจริงแล้วก็ไม่เอาอีกเดียวหาเรื่องให้มันวุ่นวายในใจเลอยอีกเดียวเราไม่ชอบความสงบเราไม่ชอบความเงียบไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบสังขารเราชอบสังขารชอบปรุงแต่งใช่ไหม <c oughs> เพราะนั้นสังขารและขันต่างๆไม่ใช่เราหรอกสังขารเป็นเพียงแค่อาการของจิต ความคิดปรุงแต่งเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นหนอซึ่งไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะอย่าไปยึดติว่าเป็นเรานะเราอย่าไปเป็นทุกข์กับความคิดปรุงแต่งของเราเลยตั้งนี้เป็นต้นไปน้วคนที่เป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองเนี่ยเลิกซะมันทาร้ายจิตใจเราเราลักตัวเราลักใจเราไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ห้าม แต่รู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโอ้ความคิดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก่อนจะนอนเก็บอะไรมาคิดคิดเสร็จแล้วก็อ๋อพอแล้พอแล้ความคิดเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปยึดบัานถึงบ้นานมะันนะแล้วชอบคิดตอนนอนทั้งเลยนะสม่าชอบคิดแต่สิ่งที่มันกังวลไม่ดีทั้งนั้นเลยคิดดี่ดีไม่ค่อยจะคิดอะ่ะชีวิตเราชอบอะไรเก็บอะไรมาคิดที่มันเป็นทุกข์ให้ใจเราต้องเดือดร้อนมันไม่ใช่เราเอากองที่ห้ากองสุดท้ายคือวิญญาณขัน วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งวิญญาณขันรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูรู้แจ้งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณขันก็คือเกิดจากการรู้แจ้งทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองไม่ใช่วิญญาณลอยลอ่องออกจะล่างกายลอยทุกป่อง เป็นสามพรเวตีผีตับสนไปเข้าล่างร่างนี้มันไม่ใช่วิญญาณทางพระศาสนาไม่ใช่ไม่เรื่องละครวิญญาณขันก็คือสิ่งที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองแต่ทางศาสนาสอนแค่นี้ขันห้าก็มีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาละขันวิญญาณะขันแล้วขันห้าเนี่ย มีธรรมชาติอยู่ก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยสรลลุมันตัวนี้เลยไม่ใช่สัดบุคคลตัวตนเราเขาพวกเราที่มีความทุกข์ก็เพราะว่ายึดมั่นขันท่าเนี่ยเป็นตัวเราความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่เกินการยึดมั่นถูมไหมว่าขันท่าเป็นเราเห็นไหมอย่างเช่นธรรมวัดก็บอกว่าสังคิเตนะปันจุขาตาละขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วอุปทานขันท่าคือตัวทุกข์ เพระยุดติตัวเนี้ยในตอนนี้ตอนไปเนี่ยเราก็จะไปยึดมั่นถึงมั่นมันให้รู้เอาไว้รู้เอาไว้ทำเอาเข้าใจแต่ว่ายังหลุดพ้นไม่ได้ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่มีใครจะเรียนรู้แล้วก็พ้นทุกข์ได้เลยยังไม่ได้จะต้องมีการปฏิบัติมีการปฏิบัติมีการเจริญสติเฝ้าดูขันทั้งห้าว่ามันไม่เที่ยอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไ ร, ไ, ง ไ, รไม่ใช่ตัวตนอย่างไร และก็ปล่อยวางมันซะพอรู้ความจริงพระเจ้าเนี่ยแสดงเรื่องอนัตตาไว้ด้วยอาการเช่นนี้นะเนี่ยโดยความยึดมั่นถึงมั่นตรงเนี้แล้วก็ปล่อยวางมันไปคิดเอาเนี่ยมันอุดพ้นไม่ได้หรอกมันต้องมีการปฏิบัติมีการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาไม่ได้เกิดจากการคิดนึกอย่างเดียว พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะไม่อาจอยังลึกได้ด้วยการตึกธรรมะไม่อาจอยังลึกได้ด้วยการตึกคือการคิดนึกเท่านั้นแต่ว่ามีการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติคือเอาจิตเนี่ยมารู้ความจริงจนกลายเป็นปัญญาคือการเจริญสติเนี่ยคือการปฏิบัติ แล้วเราทุกคนจะต้องมีความรู้สึกตัวการมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันป้องกันการหลงหลืมตัวการมีสติเราไม่มีสติเนี่ยมันรู้จะมีอะไรอีกแล้วในะชีวิตนี้นะเราอยู่ได้เพราะสตินะเนี่ยเราเดินมาเนี่ยอะไรพามาสติพามานะถ้าการสติเดินเข้านี่ไม่ผูกนเนี่ย สติเนี่ยมันจำเป็นรับในชีวิตเรานะต้องเติอนเอาไว้เติเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงกับตัวเรานั่งก็มีสติรู้ตัวให้มีสติรู้ตัวต่อเนื่องรู้กายรู้ใจนั่งนี่ก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวจะกินก็รู้สึกตัวจะนอนรู้สึกตัวจะถ่ายก็รู้สึกตัวการใช้ชีวิตทำกิจวัตรต่างๆในแต่ละวันเนี่ย ให้บิสติเข้าไปรับรู้รับทราบด้วยให้มันต่อเนื่องนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจรติทําที่ไหนก็ได้เพราะสติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องที่วัดสติเกิดมากที่บ้านไม่ค่อยเกิดที่บ้านนะมันหน้าเกิดมากกว่าที่วัดนะที่วัดไม่ค่อยบิดผ้าเราสำรวมดีอยู่แล้วเจอพระสติมันเกิดเองโดยธรรมชาติโดยความเกรงใจ แต่สติที่บ้านไม่ค่อยเกิดนะจําเป็นที่บ้านต้องเกิ ด, ดมากมากเราทุกมากนะที่บ้านแม่ที่วัดที่วัดเราไม่ทุกข์หรอกใช้สติที่บ้านในที่ทํางานย้ายพลาดตรงนี้มีสติรู้ตัวให้ต่อนเนื่องให้รู้แบบสบายสบายแบบผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปบริกรรมอะไรหรอกเนีย <Yeah. S 1> เดินก็รู้ตัวว่าเดินก็ใช้ได้นะ่ะเนี่ยอันเนี้ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ให้มีสติกับการเคลื่อนไหวทางกายไปทําอะไรก็ตามกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยหละจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งก็มีสติรู้ทันอ๋อจิตมันคิดอะไรใจรู้ด้วยมันคิดอะไรก็ใจรู้ด้วยสติ ร, รู้ทันบวกกันอยู่เงี้ยอยู่ไหนก็ทําได้ให้มันต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีมันเผลอไปแล้วก็แล้วไปอดีตไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่ มันหลงไปแล้วก็แล้วไ ป, ลไปก็รู้ใหม่หลงไปอีกก็รู้อมันว่าเอ๊ะทําไปมีแต่ความหลงเนี่ยก็ทํามใจจะทําไม่ได้มันหลงไปก็รู้สึกตัวใหม่สิมันรู้ได้มันก็หลงได้เพราะไม่เที่ยงเหมือนกันนะั่นสติจะเที่ยงไหมสติก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นหลงบ่อยๆโอ้สติหลงบ่อยแล้วก็รู้บ่อยๆเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆเห็นตามาไม่เที่ยงบ่อยๆแต่ก็เห็นทำอยู่เดียไม่ต้องกลัวะ ส, สติบ่อยๆมากๆเนี่ยตอนแรกจเจริญขึ้นมาสร้างขึ้นมาก่อนและต่อไปเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแม้ไม่เจตนาสร้างสติก็เกิดขึ้นได้ตอนแรกจเจริญก่อนต่อไปมันก็เกิดขึ้นเองอัตโนมัติเมื่อนานวาสติมันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะสติมันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายขึ้นในชีวิตประจําวันเลย ให้เริ่มนับหนึ่งก่อนแล้วต่อไปมันจะง่ายเห็นไหมเราขี่จักรยานครั้งแรกเราขี่เลยที่ไหนล่ะขี่ได้เลยไม่ได้ล้มลุกทุกการต้องหลายครั้งไต้การล้มน่ะขอบคุมมันเป็นการสอนให้เราขี่จักรยานเก่งใครขี่จักรยานไม่ล้มเนี่ยขี่ไม่เก่งนะ <c oughs> ล้มบ่อยๆจะเก่งจะจนานารู้จักการทรงตัวไว้ไอ้เริ่มต้นตรงนั้นละ่ะ ทำบ่อยๆเนี่ยมันจะง่ายแล้วจะขี่จักรยานง่ายฝึกสติบ่อยๆเนีย่ ย, ยมันก็จะง่ายต่อการปฏิบัติจิตจะสงบได้ง่ายจิตสงบได้ง่ายบางทีมีอารมณ์ไม่พอใจมากระทบความขุนความเศร้ามากระทบเมื่อสติเกิดเนี่ยจะรักษาใจเป็นปกติไม่เพียดผ่อนคลายไปในตัวนั้นฝึกบ่อยๆ ย, ย, ยิ่งฝึกนานๆเนี่ยสติมันคมมันชัดขึ้นมาเนี่ย มันจะเห็นสภาวะธรรมในกายในใจเราเองสติมากขึ้นมันจะกลายเป็นสมาธิช่วยมีสติและสมาธิจะตามมาก็จะกลายเป็นปัญญารู้เท่าทันตัวเราสติธรรมที่รู้ทันปัญญาจะรู้แจ้ง <c oughs> เห็นความไม่เที่ยงในกายในจิตเห็นความทุกข์ในกายในจิต เห็นความไม่ใช่ตัวเราในกายในจิตเหมือนกันนะนั้นสำคัญที่ฝึกสติให้มากๆมันจะนำเอาปัญญามาใช้รู้แจ้งในสภาวะธรรมต่างที่เกิดขึ้นในกายในใจเราก็มีอยู่แค่นี้ชีวิตเราจะรู้ความจริงรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะการมีสติคือการมองมาที่ตัวเราในปัจจุบันจะเริ่มรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเอง แก้ปัญหาตัวเองได้ให้กำลังใจตัวเองได้โดยไม่ต้องไปรอกำลังใจจากคนอื่นซึ่งบางทีก็ไม่จริงเพราะนั้นแม้แต่เรามีสติว่าเราเล็กแต น, น้อยเนี่ยเราก็มีคุณค่าแล้วที่เรเล็กทีน้อยต่อไปแล้วก็ต่อกันเรื่อย ๆ, ๆมันจะกลายเป็นสติธรรมดาเป็นมหาสติมหารู้สติเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะเราสร้างของเราเองไม่มีใครให้เราได้ เราจะรู้เลยว่าอ๋อจิตเราเป็นยังไงกายเป็นยังไงไม่ต้องให้ใครมาดูจิตเราก็จิตของเราอะ่ะไม่ต้องให้คนอดูก็ได้ดูเองกิเลสมากมากิเลสน้อยเราก็รู้เอง <c ười> ต้องให้หมอดูดูทำไมเสียท่าหมอดูดูเองเราเนี่ยหมอดูก็ดูหมอสินี่เราก็เราดูตัวเราไม่ต้องให้หมอมาดูตัวเราไม่อายเขาหรือ ของอยู่ข้างในก็ต้องดูขอเราเองหมอไม่รู้เท่ากับเราร้อไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับเรารู้เรานะนัะ้นโตซะทีพึ่งตัวเองเสียบ้างอย่าร้อยคนอื่นมาดูใจเราโหใจเราเราก็ต้องดูของเรานะเริ่มต้นแต่ทีแรกเริ่มปฏิบัติค่อยๆเก็บทีเล็ก ท, ทีน้อยใครฝึกสติเป็นประจำเนี่ย ชีวิตจะไม่เหงาอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเพราะมีสติเป็นเครื่องอยู่รับรองไม่เหงามันที่ชอบอยู่คนเดียวมันจะไม่เหงาชีวิตมีแต่ความผ่อนคลายถ้าใช้ชีวิตยอย่างมีสติความสุขอยู่ไม่กกลหรอกถ้าใจเรามีสตินะเนี่ยสำคัญตัวนี้ชีวิตไม่เหงามันจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเอง การจริตในชิวิตจาบันเนี่ยไม่ธรรมดานะทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะอยู่เหนือกรรมมันจะไม่มีการเกิดกับคนที่มีสติปัญญาความเกิดเพราะหลงสติว่าเป็นเราถ้ามีสติความเป็นเราจะหายทันทีเราจะไม่เกิดจะไม่ไปนนตามกลับด้วยจะอยู่เหนือกรรมการจริตเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมที่ระดับสูงใช่นะ เป็นพอนามายาปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นการสะสมกุศลเลยการฝึกสติเป็นเรื่องของกุศลนะเป็นทำฝ่ายดีเห็นไหมเราทํากุศลโดยไม่ต้องไปวัดก็ได้เห็นไหมบางคนว่าฉันเัดไม่ได้หรอกไม่มีเวลาไปวัดเลยพอเ ป, ป็นแบบทําปั๊บพูดถึงวัดไม่ใช่เราสามารถปฏิบัติได้ยกวัดมาอยู่ที่ทํางานของเรา ยกวัดอยู่ในใจของเราเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระก็ อ, อยู่ด้วยกันส บ, บายเลยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นรหับเราเราจะรู้จักความจริงต้องปฏิบัติธรรมต้องเจรตสติไปคิดเอาเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้หรอกต้องตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทมต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติบ้าง กายถนัดรูปแบบมีเวลาว่างก็ใช้ลมหายใจมีเวลาสักหน่อยก็ใช้ลมหายใจหรือไม่ถนัดลมหายใจจะบริกรรมยุบหนอพวกเร า, าก็ทําไปบา <ight? S 1> <spl ain> งคนใช้การเคลื่อนไหวอย่างผม เ, น, ม น, เนี่ยชอบการเคลื่อนไหวในหลวงพ่าเตียนสี่จังหวัเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันกลัวให้จิตมันตื่นมันทำให้จิตมันตื่นเป็นเอวที่หยาบเห็นง่ายกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ย จิตมันตื่นตื่นจากความง่วงตื่นจากความคิดตื่นจากความหลงสติมันเกิดได้ง่ายใจมันตื่นได้ง่ายการฝึกติดแบบเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคนถนัดดูลมหายใจก็ดูไม่เป็นไรเนี่ยการปฏิ บ, บัติมีสองอย่างมีสองอย่างนะการปฏิบัติเนี่ยสองแนว <c oughs> แนวรูก้กับแนวหลงอะ ถ้าแนวหลงเนี่ยคิดตะพึ้นตะเือโอ้โ่นเนี่ยเป็นอะไรนึกถึงภาพโน้นอะนนี่นั่นแหะแนวหลงมองออกไปนอกตัวในแนวหลงทั้งนั้นถ้าแนวรู้เนี่ยกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกคือสติตัวคือกายคือใจนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวสามคำมารู้ทำรู้สึกตัวเนี่ยแนวรู้ต้องมารู้สึกตัวนะถ้าแนวหลงก็หลงลืมตัวไปมองแต่ข้างนอก สองอย่างในชีวิตเรานั้นต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบบ้างในเปาโอกาสเพื่อนําเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกในรูปแบบเราจะสามารถทําให้สติเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อนเนื่องนะเนี่ยสําคัญมากนั้นเราต้องตั้งใจทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะชีวิตจะว่างนะ ทำไม่ตั้งใจทำตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องตั้งใจทำถ้าไม่ตั้งใจเราจะไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็ไม่มีผลเกิดขึ้นมาเราก็จะประมาทนะเนี่ยประมาทในชีวิตประจำวั น, เ, นเพราะาการเจริญสติเป็นการสร้างเหตุการปฏิบัติเนี่ยเป็นการสร้างเหตุเข้าไปหาผลคือเกิดปัญญาเจริญสติเพื่อสร้างเหตุแลวเกิดปัญญารู้แจ้ง เป็นธรรมะขั้นสูงที่ว่าถึงขัง้นว่าไม่เกิดนะพ้นการเวียนว่ า, ายแต่เกิดเพราะการเจริญสติให้เกิดปัญญานี่ยแหละเป็นวิวัตตะคามินีปฏิปภานะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยอยู่เนื้อกรรมไปเลยนะ <c oughs> อย่าคิดเอาถ้ามาเข้าใจก็ยังหลุดพ้นไม่ได้เนี่ยผมเองเนี่สมัยแรกๆของการ เข้ามาสนใจธรรมะเมื่อร่างกายพิการผมอ่านตำราศึกษาตำรามาเยอะเลยคุณพ่อเนี่ยหาหนังสือมาให้อ่านหนังสือเล่มแรกที่อ่านคือคู่มือมนุษย์ของพระอาจารย์พุทธทาสใครเคยอ่านว่างอ๋อคู่มือมนุษย์คุณพ่อหาซื้อมาให้ชอบใจแค่เห็นชื่อก็ชอบใจแล้วโอ้เราเนี่มันต้องมีคู่มือนะ เราเป็นมนุษย์นี่นะก็มีคู่มือเพราอ่านเล่มแรกชอบใจคุณพ่อซื้อใหญ่เลยสมัยก่อนต้องซื้อหนังสือนะไม่มีการแจกเหมือนสมัยนี้หรอกต้องซื้อเอาบานอยู่ลนครสวรรค์เนี่ยคุณพ่อต้องลงมากรุงเทพเพื่อมาซื้อหนังสือให้ผมอ่ะมาปฏิบัติธรรมที่ไหนก็อ่านหนังสือธรรมะไปให้เล่นต่อมาคือคู่มือพ้นทุเต็มสาม คู่มือการปฏิบัติธรรมคู่มือดับทุกมีแต่คู่มือเท่านั้นอนะ่ะวิธีละคับดับทุกวิธีบรรลุธรรมดับทุกวิธีปฏิบัติธรรมทางลัดมากมายอ่านหนังสือธรรมะเกี่ยวเรื่องดับทุกมาสิบหกปีเกิดความเข้าใจผิดที่ว่ารู้แจ้งแล้วว่าเรานี่รู้แจ้งแล้วตำรายเยอะเลยสิบหกปีอ่านตำรานะ แต่เวลามีอารมณ์ที่ไม่พอใจมันกระทบดีมันวายมากเลยมันวายต่อลมมันฉุนปึกคนที่พูดไม่ถูกใจก็คนใกล้ตัวน่ะคุณพ่อคุณแม่บางครเราไม่ถูกใจด้านนะโอ้เราฉุนปึกในใจโอ้ใจเรามันยังมีทุกข์อยู่นี่เอ๊ะคนรู้แจ้งทําไมยังมีทุกข์อยู่ <c oughs> นี่เป็นอหรหันแล้วมันทุกข์มันมีอยู่เข้าใจบิ๊กว่ารู้แจ้งแล้วแต่มันทุกข์มันยังมากอยู่เอ้มัน แล้วมันทุกข์มากกับตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยด้วยท่านไปนะมันคิดมากเ <c oughs> ห็นไ่มคนที่ชอบคิดมากก็ทุกข์มากติดดีมากก็ทุกข์มากเพราะมันคิดเอาเหตุเอาผลเอาตัวก็ผิดสิ่งที่ก็พูดบางทีมันไม่ถูกใจเราแต่มันถูกใจเขาแต่เราก็ไม่พอใจเขาไปจัดข้างน่อยถูกใจเราลืมจัดใจเราให้เข้าใจข้างนอกซะบ้างมันก็ทุกข์หลายตรเ น, นี้ไม่พอใจคนรู้คนนี้จึงไม่ใช่เราของเราเลย แต่เราก็ไปทุกเนี่ยหละรู้แจ้งมันยังมืดอยู่เลยก็เปวิธีใหม่มาติดต่อกับพวกกรมเขียนสุวรรณโนน่ะติดต่อกับท่านทางจดหมายนะให้ท่านสอนวิธีการดับทุกสำหรับคนพิการอย่างเราเนี่ยท่านก็สอนการเต็มตีแบบเคลื่อนไหวให้นอนทำอยู่ที่บ้าน แล้วต้อจักรู้กายเคลื่อนไหวนอนพลิกมือดิ้มมือหงายรู้สึกที่มือความรู้สึกมาก่อนมีมือขวาพอจะเคลื่อนไหวได้สะดวกนะพลิกมือนอนพลิกมือหงายรู้สึกตัวที่มือความรู้สึกให้รู้กายรู้กายเวลาจิตใจมันหลงไปก SI ็กลับมารู้สึกมันหลงมาก็กลับมารู้สึกมันหลงมาก็กลับมารู้สึกไว้เอากายมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ให้มันหลงไม่กับความคิด มันไม่หลงไม่อะละลงไม่กับความคิดอ่ะกลับมารู้สึกรู้สึกตัวรู้กายขนาดยูหนึ่งเดือนปฏิบัติรู้กายอยู่หนึ่งเดือนโอ้จิตมันเปลี่ยนเลยนะมันเริ่มเห็นอะไรเนียไม่ได้เห็นนอกตัวเห็นตัวเองไม่แปลกยังรู้สึกตัวอยู่เห็นจิตกับกายเนี่ยมันแยกกันสติรู้กายเคลื่อนไหวเ่ยนะเห็นกายจิตมันแยก แต่ไม่แยกไปไอ ย, อยู่ด้วยกันแต่ว่าทำงานต่างกันตายทำห้ที่เคลื่อนไหวใจทำหน้าทีร่รู้กายเคลื่อนไหวใจรู้แยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามพอแยกรูปนามบัรู้สึกแบบใจเราเริ่มสบายว่าโอ้รูปนี้ไม่ใช่เรานี่นาะกายที่เป็นพิการไม่ใช่เราแต่แล้วล้าออกจากความพิการทางจิตเคยเก็บความา like, าาวาพิการทางจิตบ้าโอ้กายพิการใจก็พิการ หนึ่งเดือนลาออกจากความพิการทางจิตตั้งแต่พอสอ2 5 0 3 8ทั้งปัจจุบันเนี่ยจิตมันลาออกจากความพิการซะเรียบร้อยแล้วร่างกายก็ยังพิการจนกว่าจะเน่าเข้าลงไปแต่ใจก็ไม่ได้พิการกับมันสบายเลยหนึ่งเดือนนะตั้งใจปฏิบัติวันละเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยทำ ก็รู้กายรู้สตัวรู้กายต่อไปนะไม่ได้รู้อะไรรู้กายต่อไปทำนานเรื่องของกายรู้กายเคลื่อนไหวมันก็ไปเห็นส่วนละเอียดคือจิตอ๋อจิตจิ ต, จตมันเป็นผู้รู้กายแล้วจิตเนี้ยที่ผลิตความคิดนึก <c oughs> อ้อจิตมันผลิตความคิดออกมาไอ้ความคิดตั้งหลายเนี่ยมันเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งเลยเนยเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่ง ไม่ไา้ัตูไปจำเลยหมายเล็กหนึ่งไอ้ความคิดเนี่ยมันพาเอาความปรุงแต่งต่างๆเรื่องอดีตอนาคตมาสู่ใจเราทั้งนั้นเลยความคิดพาเอาตัวตนมาสู่ใจเราเรามีตัวตนเพราะความคิดถ้าไม่คิดตัวตนไม่เกิดนะ <c oughs> โอ้นี่เราเป็นคนพิการเรารู้มากเราไม่รู้ความคิดทั้งนั้นเลย การมาลาคะเกิดจากความคิดพยาบาทเกิดจากความคิดความฟุ้งซ่านเกิดจากความคิดความสงสัยเกิดจากความคิดอ๋ยความคิดเนี่ยมันนำความทุกข์ใจเราเราหลงยึดติดว่าความคิดเป็นเราพอสติรู้ทันความคิดจิตมันก็หยุดเมื่อกันนะหยุดคิดเลยนะความคิดหยุดทางานเป็นอมภาพล่มละลายไปเลยเห็นไหมกายเป็นอมภาพ ความคิดอมภาตาได้เหมือนกันรู้ฐานความคิดนะเริกต้องารรู้กายรู้กายไปเห็นจิตพอดูความคิดเห็นธรรม ะ, ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของความคิดอ๋อเราไม่เชื่อความคิดของเราแล้วแล้วใครจะมาหลอกผมไม่ได้นะความคิดผมเงผมยังไม่เชื่อเลยนี่คือความคิดที่มันลักคิด ที่มันปรุงแต่งแต่ถ้าเราจะคิดเราตั้งจะคิดด้วยสติเห็นไหมใช้ความคิดใช้ความคิดเป็นนายเหนือความคิดใช้ความคิดตอนนี้กําลังใช้ความคิดเพื่อจะพูดทําประโยชน์แต่ไม่ตกไปท่านความคิดเป็นนายความคิดใช้ความคิดไม่ใช่ทําตามความคิดที่เบื่ออยากจะไปความเบื่อเป็นความคิด แต่เราไม่ได้คิดจะไปเองแต่ความเบื่อมาให้เราคิดให้เราไปไม่ไปไม่เชื่อเบื่อไม่ใไปพอให้เบื่อแล้วค่อยไปไปด้วยตัวของเราเองไม่ได้ไปเพราะถูกอารมณ์มาปรุงแต่งให้ต้องไปนะเนี่ยสบายเลยมาดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดมันก็เห็นธรรมะคือความจริงโอ้ธรรมดาความคิดมันต้องอย่างนั้นเองอเห็นความคิดชื่อได้เปลี่ยนเลย เปลี่ยนเลยนะเอเปลี่ยนใหม่เลยมันมีแต่คำตอบนะปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีคําถามมีเรื่องคําตอบทั้งนั้นเลยมีแต่คำเฉลยคําตอบทั้งนั้นเลยถึงบางอ้อบางอ้อนจบนะบางอ้อเกิด <c oughs> <c oughs> การเปรียบเทียบเลยนะก่อนการปฏิบัติเนี่ยเห็นกายจิตรูปนามกันธ์หน้าเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือตัวเราแต่พอจิตวิแล้วเนี่ยมันเห็น รูปนามขานาเนี่ยมันแยกๆ ก, กันมันไม่รวมกันเป็นหนึ่งมันแยกๆ ก, ก, กันแตกรูปนามขานาออกไปเป็นกองๆสติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแม้ไม่เจตนาสร้างมันก็เกิดขึ้นได้เออเกิดขึ้นเองมันเริ่มเข้าใจธรรมะเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นอ่านตัวออกบอกตัวได้แก้ปัญหาชี่ตัาเองได้ เข้าใจชีวยเข้าใจตัวเองทุกที่มีอยู่เนี่ยก็ลดลงความสุขก็มากขึ้นมีความเบิกบานมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องไปพึ่งพากา ม, มาสุขทั้งห้าคือการดูการฟังการกินการสัมผัสการการดมกลิ่นไม่ต้องอาศัยเหล่านั้นก็มีความสุขได้สุขแบบไม่ต้องแสวงอะ่ะ ไม่ต้องแสวงหาสุขเหมือนเมื่อก่อนมีสุขโดยไม่ต้องแสวงเพราะการปฏิบัติธรรมการเจริญสตินี่แหละมันได้คำต่อของชีวิตเข้าใจตัวเองม่กยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบได้ว่าความรู้ที่เกิดจากทําความเข้าใจมันต่างกับความรู้เกิดจากการปฏิบัติธรรมเอาจิตไปสัมผัสกับสภาวธรรมโดยประสบการณ์ลิบลับเลยต่างกันมากเลย มันรู้แบบปฏิบัติเนี่ยรู้แบบถึงอกถึงใจนะความคิดมันไม่ถึงอกถึงใจหรอกมันแค่สมองแต่รู้แบบสัมผัสรู้เนี่ยมันถึงอกถึงใจก็เรียกว่าอะไรสันติโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่คิดด้วยตนเองต้องเห็นสัมผัสรู้แบบด้วยประสบการณ์ปฏิบัติรธรรมเตรอนสติเท่านั้นสติธรรมะที่รู้ทันปัญญาธรรมะที่รู้แจ้ง ก็ขึ้นในใจเราสำหรับคนที่จเจริญสติและนําพาปัญญามารู้แจ้งได้มันที่เดียวกับบันทึกความไม่ทุกเนี่ยบันทึกความไม่ทุกเนี่ยไม่ใช่บันทึกลงในคําเขียนข้อเขียนลงไปสมุดนะอันนั้นมันเกิดจากความคิดที่เกิดจากสัญญาความจํามาจากสมองมันก็ไม่เที่ยงอาจจะลืมได้เหมือนกันนะแต่นี่มันเป็นการบันทึกโดยสติ บันทึกลงไปในจิตในใจบันทึกลงไปใ น, ในใจิตในใจเลยสัมผัสรู้เลยจนตายก็ไม่ลืมตายไปแล้วอาจจะลืมเพราะฉะนั้นความไม่ทุกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมให้รู้จักตัวละเองเข้าใจเราตัวเองรู้จักชีวิตและตัวเองตามความเป็นจริง รู้ความจริงของตัวเราแล้วก็ไม่ทุกข์หรอกด้วยการเจอสตินี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนระดับไหนขั้นไหนเนี่ยถ้าไม่รู้จักตัวเองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่รู้จักธรรมะนะ ย, ยังไล้สาระของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราไม่รู้จักตัวเองเพราะว่าเมื่อไม่รู้จักตัวเองทําให้เราเป็นทุกข์ ทุกอะไรไม่เกินไม่รู้จักตัวเองน่าคือความทุกข์เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือความไม่ทุกข์แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เกิดมาควรจะได้คือความไม่ทุกข์เช่นกันเนวันนี้เขาให้ผมพูดเรื่องบันทึกความไม่ทุกข์ก็พูดมาพอส่วงเกืบเวลาแล้วอย่าดวนรับอย่าด่วนปฏิเสธ เอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งรับนะครับเนี่ยอย่าเ พ, พิ่งปฏิเสธพิจารณาดูก่อนก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยสำหรับท่านผู้ฟังเห็นมากสมควรแก่เวลานะเนี่ยขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยตรงมีความไม่พุบันทึกลงในจิตใจและก็มีความสุขด้วยการทุกท่านทุกคนเพินสา<ะ>ธุ<ะ> ในช่วงระดับต่อไปนี้นะครับก็ท่านใดนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถจะถามท่านอาจารย์กําพลได้นะครับสวัสดีนะคะอาจารย์กำพลค่ะหนูเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกเนี่ยนะคะเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนไข้พิการบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าในช่วงแรกเนี่ยค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ เอามาพาดครึ่งตัวนะคะตั้งแต่บริเวณแขนขาลงไปไม่รู้สึกไม่รู้สึกตัวแล้วก็ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมเนี้ยค่ะคือในช่วงแรกเนี่ยจะมีวิธีแนะนํายังไงให้คนไข้จากที่เคยมีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็กลับมามีร่างกายทีการเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาได้หรือว่าที่สําคัญคือคนไข้จะไม่มีหลักยึดให้ชีวิตแล้วก็คนที่ไม่เคยผ่านไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านธรรมะมาก่อนเนี่ยค่ะ อยากถามอาจารย์ว่าจะมีวิธียังไงที่จะแนะนำคนไข้ให้กลับมามีหลักยึดหรือว่าสนใจธรรมะอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นคุณหมอใช่ไหมครับเนี่ยํำถามเนี่ยมันสำคัญแต่ผู้ถามนะคุณหมอเมี้ยที่ดูแลคุณไข่อยากให้คนไข้ได้มีใจดีเนี่ยฝึกปฏิบัติยอมรับตัวเองคุณหมอนะต้องยิ้มก่อน หมอมาถา ม, มหมอหมอยังไม่ยิ้มเลยผมสมมุติผมเป็นคนไข้ผมก็เลยไม่ยิ้มเห็นหมอไม่ยิ้มเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขตปัจจุบันเลยนะเนี่ยเป็นของจริงเนี่ยถ้าหมอให้พวกับคนไข้คนไข้ก็ไม่ยิ้มหมอต้อง ส, สดชื่นแจ่มใสมีใจเบิกบานนะอารมณ์ดีไปคุยคนไข้เ่ยนคนไข้เห็นหมออารมณ์ดีเลยบางทีหมอไม่ต้องพูดมากหรอกหมอยิ้มเนี่ยคนไข้หายเลยนะ ถ้าหมอมายิ้มเด็กคนไข้กลับจะตายต้องยิงเ้ี่ยมแจ่มายผู้คุยได้น้ำใสใจจริงด้วยจิตใจที่เมตตาให้กําลังใจคนไข้แต่คนไข้ต้องการกําลังใจมากเพราะเขาคิดเปรียบเทียบว่าอดีตเขาเป็นยังไงปัจจุบันเขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันรับไม่ได้เพราะไปคิดถึงอดีตนั่นเพราะความคิด แล้วก็สามารถดึงจิตใจคนให้อยู่กับปัจจุบันหมอยิ้มจิดคนไข้ปัจจุบันพูดคุยไพเราะอ่อนหวานประกอบด้วยเมตตาใจาที่สื่อด้วยเมตตาเนี่ยคนไข้เกิดความสุขนะเราไม่ได้แผ่เขาโดยบอกแต่ว่าผ่านการยิ้มเนี่ยคนไข้เกิดความสุขมันสื่อกันได้ความเมตตาในจิตในความจริงใจ อย่าไปพูดด้วยความไม่มั่นใจหรือไม่สบายใจให้คนไข้คนไข้ก็ไม่สบายใจก่อนเนีคนเฝ้าไข่คนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยสําคัญมากต้องมีจิตใจดีคนไข้ก็ใจดีให้กําลังใจดึงจิตใจคนไข้อยู่กับปัจจุบันให้ได้โดยการพูดคุยซักถามคุณหมอใจคนไข้หายก็ต้องพูดคุยดึงจิตใจให้คนไข้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็บอกแนะนำก็ แม้ว่าเราจะพิการกอะไรแล้วไม่เป็นไรหรอกเราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ในสภาพที่พิการเพราะความสุขไม่ใช่ที่ร่างกายสุขอยู่ที่ใจนะหนูนะเนี่ยสุขอยู่ที่ใจไอ้ร่างกายมีปัาไม่เป็นไรแล้วก็แก้ไขร่างกายเดี๋ยวมีหมอช่วยจิตใจเราต้องช่วยใจเราเองให้กําลังใจเรามีทางออกมีทางแก้ไขไม่เป็นไรหรอกให้กําลังใจครับปก่อน พอกำลังใจดีเนี่ยเราสอนลายคนไข้ก็เชื่อเชื่อแล้วก็ฝึกฝึกให้เขาได้แก้ไขตัวเขาเองเริ่มต้นฟื้นฟูกำลังใจก่อนแล้วค่อยฟื้นฟรูร่างกายตามวิชาที่เรียนมาของคุณหมออะไรก่ะตอบนะอาจารย์ก็ได้ตอบคาถามาแล้วนะคะอันนี้ท่านอาจารย์เคยเจอมือนกับตัวเองเลยใช่ไหมคะอ่าครับผมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไข้ทั่วโลกเลยนะ คุณหมอเราสามเหมารถจากบ้านผมเนี่ยสมัยก่อนรถสองแถวเหมาสองร้อยบาทแล้วทางแค่เจ็ดกิโลนะไปโรงพยาบาลชุมชนไปรอคุณหมอต้องนานหมอมาถึงตรวจเอานิ้วจิ้มที่ท้องจึ๊กจึกจึ ก, จกสามจิ้มสั่งยาแล้วก็บอกว่ากลับบ้านได้นะสักพักหนึ่ง พยาบาลก็ถื อ, อยามาคุณกำพลนี่ทำไม่ได้ติดแก้ท้องอืดอันนี้ยาคลายเครียดแล้วก็มองผมเลยบอกว่าพยาบาลยาแก้ท้องอื่นี่ผมเอายี่สิบาทแต่ยาคลายเครียดเนี่ยให้หมอกินไปผมว่าผมไม่เครียดเท่ากับหมอะนะแต่เปล่านะ ผมกลับไปนอนคิดที่บ้านเฮการที่หมอก็จิ้มท้องสามครั้งเนี่ยไม่ธรรมดานะคงจะอันนี้จังทุกขังนะตามโอไตายรักท่านให้ตายรักโอ้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเห็นปหะเพราะคุณหมอต้องใจดีก่อนผมรู้เลยเวลาหาคุณหมออะไรก็ตามหมอผู้เยอะผู้เราเยอะเนี่ยเราชอบปังเลย เ ร, เราฟังเราฟังแล้วใครเขี้ยนนะจิตที่เราเคยเป็นทุกข์เป็นโรคนะลืมเลยลืมโรคแ ล, ล้วฟังคุณหมอพูดเปลยลืมไปว่าเราเป็นโรคไงนั้นพยายามดึงจิตคนยู่ปัจจุบันยัง ม, มีมากอ่ะเนี่ตัวแทนคนใกล้ตัวโรคมากอะนี้ก็ในที่นี้มีคุณหมอเยอะไหมคะท่าจะเยอะอยู่นะคะ <laughs> ท่านใดมีคําถามนะคะดีครับสวัสดีครับออาจารย์นะคําถามผมก็ไม่ยากเนะเาะก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาพอดี กลัวเรียกัวถามยากก็คือเวลาผมไปที่ไหนเนาะผมจะเจอคนมีสุขเนี่ยน้อยจะมีทุกข์เยอะมากแล้วก็คือเขาดูเหมือนเขามีปัญหาเยอะแก้ไม่ออกอยังไปหาพยาบาลผมผมไปที่สวนดอกเนี่ยผมก็เอ๊ะแล้วพยาบาลคนนี้เขาจะช่วยเราได้ไหมเนี่ยเขากำลังเครียดๆ ด, ดูเหมือนเขาไม่ลงตัวครับผมก็เลยบอก อ, อคุณพยาบาลครับเหนื่อยไหมครับพอผมถามคําถามนี้เขาก็ดีขึ้นเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเออก็ไม่เคยมีใครมาถามพยาบาลว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นให้กําลังใจกันเนาะแต่ว่าคือสรุปก็คือว่าทํายังไงให้ให้คนหลายๆคนที่เขาอยู่ทุกวงการเนี่ยดูทุกที่ทุกทางเขาออกจากความทุกข์หรือว่าต้องแนะนําเขามาที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมผมว่าน่าจะดีที่สุดใช่ไหมตอบยัง มื่กี่มีคําตอบแล้วนะไม่ยินแล้วกี่หนูถามว่าหนูนะเป็นหนูนะทำไงให้คนทั้งหมดเนี่ยออกจากทุกข์หนูต้องออกก่อน <laughs> มันธรรมดานะคนในโลกเนี่ยมีความทุกข์มากเป็นเรื่องธรรมดาในโลกเนี่ยท่านจริงมันไมไ่มีความสุขหรอกสุขไม่มีมีแต่ ก, การแก้ทุกข์เราหิวข้าวเป็นทุกข์ กินข้าวไปอิ่มเป็นสุข ก, กินมากไป <c oughs> มันทุกข์มาอีกแล้วหน้ามึงเนี้ยเมื่อยเป็นทุกข์ขยับไปเออหายแล้วว่าสุขเลยสักเมื่อยอีกแล้วชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ธรรมดาทุกข์มันเยอะทํารมดาไม่ต้องแปลกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่เห็นทุกข์ในเรื่องธรรมดาแต่วิธีการแก้ทุกข์ก็มันมี เมื่อกี้เนี่ยผมชอบคำถามคล้ายๆที่ผมเลยถามว่าพยาบาลเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ่ะเนี่ยผมมีประสบการณ์ไปหาหมอถอนฟันไม่ใช่หมอฟันนะหมอถอนฟันผมบอกว่าเดี๋ยวไปหาหมอโรคจิตหน่อยไปทำไมหมอโรคจิตหาหมอโรคจิตเดี๋ยวไปจิตแพทย์จิตแพทย์บอกหมอโรคจิตเราไม่ไปหาหรอกหมอกาลังถอนฟันอยู่ หมอผู้หญิงถอนฟันไปเอ๊ะฟันฟันคนตําบลยางขาวนี่มันแข็งเหลือเกินจับหน้าเราโยกไปมาแล้วก็หนาแล้วนะโยกไปโยกมาเอ๊ะทําไมแข็งคือถอนอะไรก็ไม่ออกก็เมือ่อยมือแล้วหมอจะเมือ่อยแขนถอนฟันเอ๊ะฟันคนตําบลยางขาวทําไมแข็งเหลือเกินบนอย่างเงี้ยหมอใจเย็นหมอใจเย็นหมอหยุดถอนเลยฉีดยาชายอีกหนึ่งเข็มเราไม่ได้ปวดต้นหน่อยหมอแขนลายเองจะไปพักแขนก็ว่าเลย เปิดเพงฟังหมอหมอเนเย็นคนไข้บอกหมอจะเย็นด้วยเหรอเกิด <c ười> เห็นหมอใจร้อนอ่ะเราให้หมอถอนลรงานเราต้องตั้งนานนะกว่าจะหลุดออกมาพอบอกหมอหมอนในเย็นหมอก็หยุดเหมือนกันนะใจเย็นเนหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความทุกข์ของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาพพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์ดันดันอยู่แล้วก็ทุกข์นั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดมีอะไรดับโดยทรรมชาติแต่วิธีการจัาชนะความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมารู้จักตัวเองต้องมีสติรู้จักตัวเองด้วยความรู้สึกตัวจะเกิดปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราเราที่เป็นทุกขนะ์น่ะทุกข์เป็นกรรมของกายทุกข์เป็นกรรมของจิตวิญญาณของเรามีสติปัญญารู้เท่าทันมัน ไม่ออกจากทุกข์ได้ต้องแก้ไขต้องแก้ปัญหาวิธีการแก้ทุกข์ไม่ต้องสามวิธีวิธีหนึ่งคือการได้ยินได้ฟังความรู้ต่างๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันก็สามารถแก้ทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่งอันนี้ดีขั้นที่สองคือเอาไปคิดนึกพิจรารณาดูไตรควไรไตรตองอันนี้ขั้นที่สอง ก็แก้ทุกได้ขั้นหนึ่งด้วยความคิดนึกพิจารณาอันนี้ดีกว่าดีกว่าวิธีแรกวิธีสามคือดีที่สุดคือการภาวนา <c oughs> จเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญามารู้แจ้งเกี่ยวเรื่องตัวเราดีที่สุดเลยพ้นทุกโดยสิ้นเชิงตัดลาดถอนโคนนะเนี่ยเป็นธรรมโอสถไม่ใช่แพทย์ ป, ปัจจุบันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแต่เป็นแพทย์ทางรอด เพราะทางจิตทางใจที่ไม่ทุกข์นี่คือคําตอบนะที่หลังถ้าเห็นคนทุกข์นะคะก็บอกให้เขาไปเจริญสตินะคะเขาจะหายทุกข์นะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผม <c oughs> ทุวันนี้นี่ผมก็ได้เจริญสติภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคือวันเนี้ยเช้าจนเย็นเนี้ยจะทํางานถ้าว่างก็พยายามที่จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดนะครับ แต่กั้งคืนเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิบัติในรูปแบบแต่มันเกิดปัญหาหนิดนึงครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมพยายามเจริญสติภาวนาแล้วมักจะง่วงจะไปติดอยู่ที่ความง่ว ง, งตลอดง่วงแล้วบางทีมันวูบไปครับอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้ผมตรงนี้บ้างครับเรามีความง่วงเป็นธรรมดาไม่หลวงพนความง่วงไม่ได้ง่วงได้นะไม่ได้ห้ามนะ การไปไม่ได้ห้ามอะไรการง่วงเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายที่มันต้องการพักผ่อนไม่เป็นไรแต่เราอยู่ในยาบทง่วงเนี่ยจะทำอย่างไรเวลาปฏิบัติให้เอาจิตออกจากความง่วงให้ได้ไม่ใช่ห้ามความง่วงแต่เอาจิตออกจากความง่วงคือไม่ตกไปท่าองความง่วงไม่ได้ฆ่าวความง่วงแต่ให้รู้ทันแล้วทำยังไงถ้าเรานั่งอยู่ทาตาโ ต, โต อย่าหลับตาถ้าหลับตามันหลับในมันพร้อมที่จะ ง, ง่วงเป็นจังหที่พร้อมหลับแล้วก็ไปสบายๆหลับอย่างเงี้ลืมตาขึ้นมาลืมตาทำตาโตๆมองท้องฟ้ามองที่ก ว, กว้างๆตาสว่างมันเปิดใจให้กว้างถ้าตาหลีๆจานจรีเวลาง่วงทาตาโตๆถ้าไม่หาย ลุกขึ้นเดินจงกรมนะเกลียวบวกการปฏิบัติในมเมตต์นั่งอย่างเดียวเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดี๋ย ว, ว, วมันก็หายง่วงเดินเร็วๆมันก็หายง่วงไม่ใช่เพื่อจะข่าค ว, วาม ง, ง่วงเดินเพื่อเอาจิตออกจากความ ง, ง่วงถ้าไม่หายก็ไปทําอย่างอื่นไปจัดข้าวจัดของจัดอะไรซะพราะจิตอยู่กับงานเนี่ยมันไม่ง่วงหรอกคนเราคนนั่งให้เฉยจะ ง, ง่วง พอทางานเดียวตาสว่างนั้นเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติตามรู้ไปนั่งแล้วก็เดินวงกลมนอนนั่งยืนเดินเรียวบวุ่นสีเท่านั้นทั้งง่วงอย่าใช้วิธีการนอนกับนั่งยืนกับเดินถ้ายืนมันไม่หายยืนขาเดียวสิแล้วมันจะถ้าไม่หายเขย่งด้วย <c oughs> ผมเคยนะเนี่ยผมนอนปฏิบัติเนี่ ย, ม, นนยมันเดินไม่ได้ลนะ นอนปฏิบัติเดินไม่ได้เดินก็ไม่ได้ถ้าไงดื่มน้ําอมน้ำมันเต็มปากไอ้มันง่วงถ้า ง, ง่วงมันจะสำลักเลยนะมันง่วงได้แต่ว่ามันกลัวถ้าเปลอปั๊บจะสําลักน้ําอมคือไม่ได้ทรมาเลยคือสอนสอนจิตว่าอย่างง่วงเวลานี้เป็นเวลาเจริญธรรมมากมายโยตต่างๆแก้ไขความง่วงได้ ความม่วงอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกไม่เกินสิบห้านาทีเดี๋ยวมันก็หายไปสติดีเนี่ยมันจะตื่นออกมาจากมว่วงได้ง่ายอย่างเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างนะผอมว่วงปับป๊บไปฟังต้องมีสติน่าจะหายมว่วงสติเกิดปับ๊บความม่วงหายเลยนั้นความม่วงเนี่ยแก้ไขไม่ยากถ้ากินมากก็ง่วงลดอาหารลงเสียบ้างกลางวันก็นอนน้อยหน่อยไม่ต้องกินกาแฟเราไม่ได้เป็นอาหารกาแฟ ออชะละด้วยสติของเราเนี่เรามีความง่วงเป็นธรรมดานะคะ <c oughs> ใช่ค่ะเอาละครับคำถามสุดท้ายนะครับไม่ได้ไ ม, มีไม่มีชิงรางวัล น, นะครับขอข้อสุดท้ายครับ <c oughs> โอ้คนสุดท้ายมักเจอคำถามยากนะอย่าถามด้วยว <c oughs> ิญพานนะสวัสดีนะคะท่านอาจา ร, รย์กำพลนะคะเราเป็นคุณครูที่พาเด็กๆจากโรงเรียนสรีสังวา น, า ม, นมาฟังธรรมะบรรยายวันนี้นะคะอยากจะให้ โอกาสเด็กๆที่โรงเรียนนะคะยังมีอีกเด็กทั้งหมดอีกประมาณ250คนอยากจะให้นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะคะได้รับฟังธรรมะบรรยายจากท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์พอจะมีเวลาโอ้เด็ ก, น, กนึกแล้วนึกแล้วคะถามสุดท้ายเนี่ยโหนั่มันยากแน่เลยเวลานะมีเสมอต่อ ท, ทุกๆคนยินดีอยากจะช่วยเหลือ อยาจะให้โอกาสแล้วก็อยากจะให้ศิลี้เป็นประโยชน์แต่ว่าในช่วงเนี้ยบอกตรงๆลยนะเป็นยุคที่ต้องรักษาตัวจริงๆนะเพราะผมนั่งร้านไม่ได้ตอนนี้เป็นแผลกดทับอยู่นี่ไม่รู้สึกว่าเจ็บหรือเปล่านะถ้าไปเปิดดูอาจจะมีแผลกัดหนองอีกก็ได้แล้วตอนนี้มีโรคเกี่ยวกับร่างกายมีตับแข็งจะต้องรักษาต้องเข้าคลอดรักษาอยากเป็นจริงเป็นจัง ที่มาตัวเนี้ยมาเพราะว่าดแับแรกก็คือมาเยี่ยมคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่สบายเราก็ลองมาเยี่ยมแต่นี้ก็มาทําหน้าที่ยศิริธรรตอนนี้เชิญให้พูดไว้เชิญโลหน้าไว้ข้ามปีนะก็เลยจะมาใช่นี่เก่าตัวเนี้ยไปใช่นี่เก่าแต่เป็นการทําบุญใหม่ถ้าทำนี้ก่อแล้วตอนนี้ไปก็จะไม่รับงานสักระยะหนึ่งเพื่อจะรักษาต่อแล้วก็ แต่นี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเดิมได้ก็อยากให้โอกาสถ้าวันพร้อมเมื่อไร่ก็จะบอกนะ